ตอนนี้ไปขอบรรดาท่านหลังไล่รับฟังแค่คแนะนำเพีน้อยให้ระวังหน่อยนะให้กระด่ายกระเทียนอะไย่างนี้มนไหม่เ่านั้นดีดีดีนั่งกระดาษเทียนไหม่กระดาษก็แล้วขาดสติก็ไม่จังยกเลยไม่ต้องไปจะหวันรกกันไป ตอนนี้ไปขอให้ตระลายตั้งใจไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยที่พระพุทธเจ้าคุณประธานและมีพระอริยสงฆ์เป็นที่สุดดูมาอาจารย์มีแล้วก็ปัญญบารมีเป็นที่สุดตั้งจิดด้ว่าขอบารมีของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าผู้เป็นศาสทธศาสนา ก า, า ร, าาราที่พระพุทธเจ้าส่้างใจเชิญสมถะที่พัสนาในชามนี้ก็มีจุดเดอสงอย่างเดียวคือต้องการท่านิพพานเพืว่าพระธรรมเทศนายขาออกสมเด็จควาทุกขมารสงสอนไว้ว่าที่สุดทขาความทุกข์คจะหาความทุกข์ไม่ได้ไม่มีแดนใด น, น, นอกจากเิพ่อตาน ขงขอบารมีของสมเด็จพระพิชิตมารแต่พระอริยสงทั้งหมดครูมาอาจารย์หลายมีทลวงพ่อปานมาปลุกโพลิศุดดืวยแพรบารมีช่วยกาลังจิตแห้ของคณะข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสทำมโนยุทธให้สาเร็จสงความปรารถนาและสามารถท่องเที่ยวไปสวรรค์สัมมาโลกและนิพพานได้หมายดีสุดให้ตั้งจิตไว้ันดับแรกนะ เมื e, ่อล e ังจากนั you, <y> ้นไปเวลาปลอดปลอดเสียงใค้เวลาปลอดเสียงสามสิบนาทีกอขออนุญาตให้พุทธบริษัทธ์ทำหมดทิ่ไต่ชนห้าเสก่อนเั็นลบแรกวิธีไต่ชนห้าในเราก็พูดกันทุกวันมันเป็นของง่ายๆเอากันแบบสั้นๆจะเข้าใจจะไม่เข้าใจไม่รับทราบ นั่นก็คือว่าที่จนาว่าร่างกายเป็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำวมารูปจะมีความเข้าใจง่ายกว่ารูปได้จากร่างกายใ้เวทนาเนี่ยก็เลยการู้จิตสุขทุกข์สัญญาความจํำสังขารอ า, ารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่ววิญญาณคือความรู้จิตทางจิตศาสตร์ อาไว้ง่ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกาพันเมคิยะเราจะไม่สนใจในรูปของเราและก็ไม่สนใจในรูปของคนอื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุทั้งหมดเลยใดทั้งหมดเวลานี้จึงคิดว่าความสงใจในร่างกายของเราดี ความผูกพันในร่างกายของคนเองก็ดีจิตใจที่ผูกพันในทรัพย์สินก็ดีไม่มีสำหรับเราทั้งนี้เพราะอะไรเพรารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่เรามีความทุกข์อยู่ทึงวันนี้ก็เพราะอาศัยรูปเป็นปัจจัยถ้าเราไม่มีรูปคือไม่มีร่างกายจะแล้วเราไม่มีอะไรจะทุกข์ ตัวอย่างที่มันได้ที่ว่าได้ก็ดีชมก็ดีพระอรหันต์ที่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์แล้วก็ดีท่านบรหลายเหล่านี้ท่านมีแต่อาทิตย์สแาในกายท่านไม่มีคันธาตและไม่มีธาตุเปเพะนั้นจึงไม่มีสภาพเป็นทุกข์ที่ตัวทุตก็มีอยู่เพียงเดียวคือร่างกายที่แบงออกเป็ธาตุส ที่เราต้องกินต้องทายต้องปวดต้องเมื่อยต้องเป็นโรคองประกอบสี่ใจงานเพราะว่าสายรูปเป็นสําคัญฉะนั้นนับฉาบาับนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีความผองยในรูปที่ประกอบด้วยธาตุนี้มันจะพังมันจะทาลายไปยังไงก็ช่างมันเพราะมันเป็นตัวนําทุกมา เราต้องการจุดเดียวความสดที่สดนั่นก็คือพระนิพพานพระองค์ร็จพดธรรมานัสไว้ในท้ายมหาปฏิปทานสูตรสุขข้อมหาปฏิปทานสูตรพระเจ้าจะทรงแนะนำว่าใครทั้งหลายจงยาสนใจยืนใจสนใจใจในใจ คขมังกายในตายก็ได้คือร่างกายที่เราสมมติว่ามันเป็นเราในพเรานี้ทางนี้เพราะอะไรก็มันมีความสุดชื่นเบื้องต้นถ้าเราเคลื่อนไปในท่ามกางตายในที่สุดเราไปโอนใจเราไปสนใจมันเทียมใดสภาพะเขามันก็เป็นเท่านั้นที่เราตทรงแต่งเปรียบกายว่า ลกแม่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงในเมื่อร่างกายมันจะตายเราจะหองมันทําไมในร่างกายของบุคคลอื่นก็เหมือนกันองสมเด็จพระทุนทรบอกว่าทรงอย่ยาห่วงเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องตายที่กันหมดรอพระพุทธปกครองเขาไม่ตายไม่ได้ถ้าชีวิตที่ไหลก็เหมือนกันเราตายแล้วเราก็นําไปไม่ได้ เป็นอันราขอเสนอหลายตัดสินใจเสียว่าคืนซึน่งเชื่อว่าร่างกายที่ประกอบเป็นธาตุสี่นี้หมดภาระสนัดเรานนสมบัตินี้เป็นต้นไปเราไม่มีความห่วงใยใดๆมนอีกมันจะแก่แก็เชิแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตาย ร่างกายพวกเราจะตายร่างไายทั้ร่างกายเราจะตายไม่เกี่ยวทั้งหมดทรัพย์สิ น, ส น, ส น, สสนใดๆถ้าเรามีชีวิตเราก็หามาตามจิตที่ต้องเรืียนร่รางกายแต่เนื่องว่าเราก็ไม่มีจิตกันจิตใจผูกพัทัพย์ท้งหลายว่ามันจะเป็นรเราเป็นของเราตลอดการตลอดสมยัยคนที่กามีมทรัพย์เข้าตายไม่มีใครทำแบบประโยคนี้ได้ หาเสือกตายคดรโกงเขามา่าตายแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนดื่มต่อไปตายก็มีแต่โทษฉะนั้นรับการปฏิบัติเรื่เงต้นไปเราขอทิ้งกายด้วยกําลังของจิตแต่ถ้าอารมณ์รานมันยังไม่หมดเทียงใดแล้วก็ทําจิตเป็นในการจะคัดกรองเป็นการรับผู้กเศลนาอาหารมาให้ไปกินต้องกายความพุกเกิดจากคาามดี หายยามารักษาโรคเป็นการนับที่คุณเวรนาไม่โรคตายตายเกิดมาเกิดขึ้นแต่ถ้ามันจะตายจริงๆเราก็ไม่ได้หวงใยมันเพราะมันสภาวะของมันเป็นแค่นนั้นแล้วคิดไว้เสมอว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดที่ร่างกายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหับเราเพราะว่าร่างกายเป็นปัจจัยที่ความทุกข์ เราไม่ต so so sure ้องการมันตีดคิดอะไอย่างนี้นะเข้ากันยอมๆหรือว่าใครจะคิดยหงไงแต่ความว่าใจว่อร่างกายมันมีความส้องขันจิตใจไม่ผูกพันกับร่างกายก็ใช้ได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้พอจิตใจเห็นว่าตัดกำลังกายได้จริงจริงหลังจากนั้นก็หยุดการพิจารณาใช้สัมปเวนาแทนที่สมมติรู้ลงไม่ใจท่องใจออก ให้สำภาวนาว่านามบัติถ้สารมให้เป็นสุขให้สำหรับท่านที่ไปไหนไม่ได้สำหรับท่านที่ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปได้แล้วให้กาหนดจิตไปจะเป็นคณะท่าซาและชาววาจุดแรกให้ใจใจไปมาตรการองสาเร็จพระบรมโลกนาทีพระจิฬามุนีชีรีสถานเป็นอัดับแรกกำหนดจิตไว้แค่ไพศว่าีิจะไปเป็นโม ลองซ้อมกันดูนะถ้าเมื่อไหวพระวจีเจ้าแล้วทรงรับรโรดรับรโอวาสถ้าทรงประทานพระวาจะไรก็จะมามาปฏิบัติและทรงอย่าลืมว่าในนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปในพระจุลามม์มีเจดีย์สถานเตั้งหมดใจว่าจะก่อทางใดที่เราไปเข้าไปจนกว่าจะถึงภายในพระจุลามม์มีเจดีย์สถาน มีอะไรบ้างที่ผ่านไปเราตั้งต้องตั้งใจขอเห็นทั้งหมดจะเป็นวิมานที่อยู่ในระหว่างทางก็ดีหรือว่ารุกไปชาติในในสวรรค์ก็ดีเทวดาหริ่มกมีดีก่อนที่เราจะเข้าจุลาภูมูจุลามุนีจีดีสถาน ถ้ทาท่านคุณใดอยู่ใกล้สถานที่นั้นเราขอเห็นทั้งหมดสมัส่ในใจไปก่อนมันจะได้เห็ว ท, ท, ทั้งว่างเวลาที่เข้าในพระบารมีเจดียสถานนอกจะองค์สมเด็จพระบิธิทมานแล้วเราก็ขอเห็นทั้งหมดว่ามีสาะรียเจ้าขั้นพระราหันเท่าไหร่มีพระนาคามีเท่าไหร่ มีพระสีธาตามีเท่าไรมีพระสนดาบันเท่าไรมีท่านผู้ทรงสรานลกีเท่าไรมีเทวดารูปภูมเท่าไรเราคอยเห็นทั้งหมดก็หมดจิตไลตามนั้นที่เราไปเวลาไปไหวพรจะพุทธเจ้าแล้วก็จงอย่าลีมก่อนจะออกต้องไหวพระอริยเจ้าทั้งหมดด้วยไั่คือพระอริยสงฆ์ ได้ก็อย่างนี่เทวดาและสมที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าเราก็ไหวได้ที่ตั้งใจย่างนี้ลองท้องกําลัง ใ, ใจเสื่อความเรียว่าขอความไม่คงคมสงของจิตซ่องซ่องไปหมู่กันไปกันเองนะในช่วงระยะปลอดเสียงหรือว่าในช่วงระยะที่มีเสียงเราก็สามารถจะซ้องเสื่อไปได้ตามที่ยาใสหลังจากนั้นกขึ้นไปนักแสองการคล้องต้นตะไตร ที่สันนิพันธ์่านลุงหลายของท่านปู่ท่านย่าและท่านแม่ก็จะว่าปู่ว่าย่าไปแม่ก่อนก็ได้แล้วก็ใครก็เข้าไปพระดุลามณีหลานจะนั่งเข้าไปนั่งบริาการผลเดชปัตตมารพระพุทธ้าองค์ปัจจุบันที่มีหมายเข้าสิพาน์พอาจากนั้นแล้วก็เข้าไปไหว้พระเจดกดิอาจ า, ากพ น, นาพระเจดศักดิ์เข้าไปไหว้กดเ์ผลดพรตทีพัพร อาจารยสัมฤักิ์เขก็นือยพราะตะกุเริก่อนแล้วก็ไปสมฤักขก็เอพราุมัตราเสีนั่ น, ลนมมแล้วก็ไปสัมฤทธขาก็นื่อยเพามาสัมปชัญญะอมแลวก็วนกลับมาวิมายทองตนหลังจากนั่งก็เป็นปรารทยาใจที่รอต้มไปกอย่างนี้เราไปได้เป็นหลักเป็นฐานแล้วต่อทนีไปสวรรดาทาพุทธรรตุทุกท่านสร้งใาให้ตรงตโลมจิตมัน กาหนดรูร้ลงใ้ใจเข้า ใ, ใจออกใช้คำบรรลานะท่เจินมาตามมาัธยายไใช่ใช่ใดล่าเนี่ยจะไปเมื่องจี๊ดกัสสำหรับคนที่ขึ้นไปได้แล้วนะเวลาฝึกก็ไม่ต้องใช้กระดาษติกหน้าให้ใช้สมาธิเสมัอนนั่งมือวางที่ต่ดสธรรมดา แต่สำหรับท่านที่ยังไปไม่ได้ให้ใช้กระดาษเสียบทูปปิดหน้าแต่ระมัดระวังหน่อยนะไไฟไม่ตรงหลัง<อ>าจากนี้ไปก็โปรดฟังคำแนะนำเสียเล็กน้อยก่อนที่ท่านทั้งหลายจะภาวนาหรือว่าิจะนาไรเพื่อความมั่นคงของจิตให้จิตเข้าโซชายง่ายแล้วเขา้าโซสำหรับพิจารณายายง่าย ตามที่องค์สมเด็จโสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในอุทุมภิกาสูตรองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภายเจ้าทรงให้แพร่เมตตาจิตไปในทิศตั้งวงไม่เรียกว่าไม่จำกัดทิศทิดว่าเราไม่คิดเป็นสัตวูกับใครไม่ว่าคนหรือสัตว์เราจะเป็นนิทิสดีของคนทั่วไปแล้วก็สัตว์ทั่วไป เราจะมีความไม่ตาตุนาสงสารตาถนาจะสงเคราะห์ให้เขานั้นหลายมีความสุขารงกำลังจิตใจเมื่อสอมที่เราปัญญาเราจะทำได้นั่นน้อจากนั่นก็ทำใจให้กว้างขวางเป่นมุตุตาจิตคือจิต่อนโยนมาทว่าตัตยรม์อิจฉานิสยาบุคคลอื่นที่ก็ได้ดีกว่าไรา แล้วใช้กําลังใจเขาไปพิจารณาความดีว่าเขาทํมาเพื่อทาได้ดีกว่าเราคําว่าดีกว่าเรานี่มาที่ว่าในกรณีต่างๆทุกอย่างแม้แต่การประกอบอาชีพการทรงอาชีพความประพฤติการปฏิบัติธรรมที่เขาดีกว่าเราก็อะไรเขาจริงดีเมื่อเราก็เพ่งไปพิจารณาความดีการปฏิบัติของเขา และก็ น, นำาความปุฏิบัติของเขามาประษษษษบัติลบากเพื่อความดีอย่างเขาหลังจากนั้นจิตใจของเราจะต้องสรงความมั่นคงวางเฉยเมื่อรมที่ไม่พอใจทํามากระทบกระทั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตทารสเหมินมมีความรู้สึกว่าโลกนี้มีมิตทารสเหมินเป็นของธรรมดา นินทาใบาสังสาผู้เจ้าพระว่าคนที่เกิดมาในโลกทุกคนได้ต้องกระทบคํานินทาแล้วกระทบ ค, ำคํำพังเสินอยู่เสมอแต่ก็จงหยอยยอมรับทั้งสองในการเพราะนินทาเราก็ไม่โกรธทาใจได้เฉยเขาสังเส้นแล้วก็เฉยเหมือนกันเราถือว่าเราจะดีหรือเราจะขั้วไม่จะอยู่ที่วาจาผู้ บ, บ้าน เาจะดีหรือจชั่วมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราพยายามปรองใจให้สบายในด้านโทมิฮิหารุสีให้จิตเป็นสุขหลัง จ, จากนั้นก็พิจารณากันหา้าชีร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพสขุขตระกอบเอขอหน้าเกล็ดไม่กลุ่มาตรนา ถ้านที่สุดไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพลนความแก่ไปได้มันมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นความป่วยไข้มาสมบายไปได้เมืม่อความแก่ก็ ด, ดีความป่วยเข้ามาถึงเราก็ ด, ดีทํากําลังใจใเข้มแข็งถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของหน้ากายที่มันมีสภาพไปนีจังที่เป็นของไม่เทียง ตัวป่วยแล้วความแก่เป็นทุกขังเพามันเป็นทุกข์หลรยี่สุดก็จะคิดว่าแค่แก่และป่วยนี่มันยังไม่จบไม่ท่าร่างกายมันก็ตายถ้ามันจะตายก็เป็นเรื่องของมันเพราร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนั้นคุณว่าจะคิดว่าถ้าร่างกายมันเกิดมแล้วแก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายต้องพั่งพ่ายเจ้าของนักของชอบใจร่างกายเป็นระนใจของความทุกข์ เราไม่มีความในสองในร่างกายต่อไปรับสัตว์เดบัจยนี้เป็นต้นไปคืดว่ากายเกิดคราวนี้เป็นครางสุดท้ายถ้าเกิดคราวอะไรก็มีแต่ทุกข์หาความสุขไม่ได้เนลานี้พบประทับคําสั่งส อ, งอสนขององค์สมเด็จพระจอมไตรปิรุมัชาการดาทีสองทีศทางหนึ่งความทุกข์ทางหนึ่งความทุกข์ก็หนึ่งทานไม บน <Oui. S 1> สำเร็จในการบริจาคทานคิดว่าการให้ทานเป็นการส่งก้อนคนอื่นมีความสุขและก็ต yes. <Ste ek ambling> ัดความโลภด้วรากเหน่าของกิเลสตัวีำคันได้รากหนึ่งสอสีหน้ใหม่การประพฤติความดีและศีลจะเป็นสินห้าตุลีสินแปดตุลีเพราะที่ว่าสีนที่มีมันได้ก็ร่ายสายเมตตาปรุณาทั้งสองระการได้สันโดษ ให้เมื่อเรารักษาสิด้ดีก็แสดงมีเมตตากรุณาดีเาเมตตากรุณาทั้งสองในการนี้เป็นตัวตัดความโกรธความพยายามเชื่อว่าเราตัดแ่าเงากิเลสแลาเงาของกิเลสได้อันหนึ่งถโมหะความหลงแค่จท่ารุงที่ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราีสภาพเกิดแค่วเส่มไปในที่สุด การที่พระจัตว่าอภิจาวัฏสงคาราสงขารทั้งหลายไม่เดียงหนออุปาตโยยธรรมีโนเมื่อเกิดแล้วก็เสื่อมไปอุปาจิตวานีรุจันติเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเตสังูปสโมูกโคการเข้าไปสงบใจนั่นใจนั่นจะยงเป็นสุขข้อสุธา น, นี้เป็นสุขมันเป็นเจ้า เป็นพาสิกที่พินทรงกลาวพระองค์สมเร็จจะสมาสมพุทธจจังสังข้ารนิพพานเป็นนวเตสังโวปัสมอโส โ, โคแปลว่าการเข้าไปสงบกายนั่นจะเป็นสุขหมายความว่าขึ้นที่ว่าการเกิดมีร่างกายอย่างนี้ไม่มีสําหรับเราอีกเราจะตัดจิตเฉพาะนิพพาน ราบันดาท่านพระสวัสดิทุขแห่นการกระทำด้วยอย่างทำเพื่อหวังผลิพานโดยจะพ่อสะให้จางจตั er ้งใจไว้ว่านิพพานะสะปัจิจิริยายญเอีตังกาสาวังเกตัวเรากปฏิญาณไว้ว่าการรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งผลิพานผลิพานจะแจ้งตัวเราได้ก็หนึ่งปัทราคะความรัก ตัดโลภะความโลภตัดโทสะวามโกรธตัดโมหะความหลงเคยลานี้เราลงจิตตัดหลงไม่มีความหวงใจใดๆสิ่งที่เคยเป็นที่รักของเราทั้งกายของเราและกายคน อ, อื่นวัตถุธาตุถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความหมายสำหรับเราไม่เราไม่โกรธโลภะความโลภจัด ส, สมบัติใดๆที่มีอยู่ในที่ใดก็ตาม เวลานี้เราถือว่าเราตายจากมันไปแล้วเรื่อเมื่อทางการไม่ไต้ร่างกายนี้เราเป็นการสิ่งที่เราต้องการกคือร่างกายอารมณ์ใดที่เป็นเครื่องขัดใจ ท, ที่เรียกว่าความโกรธไม่มีสนหภราอีกเราให้อภัยแก่บคุคคลผู้ผิดทุกอย่างที่ความหลงที่จะมีความเยื่อใ ย, ยในร่างกายไม่มีสำารับเร า, านี่คือว่า พรมนดาท่านพู้บริษัททุก ท, ท่านปล่อยใจทำนี้วงใจเห็นว่าร่างกายมันไม่มีความหมายไม่มีความสําคัญตัดร่างกายก็เช้นได้ร่างกายคนอื่นแล้วก็ตัดได้ทุกอย่างก็ตัดได้ท่ำใจให้ทับหลังจากนั้นก็นพรมรดาท่านพู้บริษัทกำหนดรู้งลง ใ, ใจเข้าออกใช้คําบราว่าน้ำมันบั้นท้ า, ญญ า, าข้กลมให้ไใจ ทรงกำลังใจให้ตรงโดยเฉพาะอย่างยี่งสำหรับท่านที่สุดได้แล้วเวลาต่อจากนี้ไปก็จะหมาเวลาปลอดขึ้นจมงปลอดเสียงเวลาขึ้นจมงให้ทุกท่านท่องเที่ยวไปตามมัธยาใจโดยการท่องเทีย่ยวเมื่อวันนี้เมื่อตอนเวลาหกโมงเปิด่ส้นไปฝ่าอง์สำเร็จพระเบรมนโลกเสด็จรู้สึกว่าพลาไปนิดหนึ่ง ขาการไปเนี่ยการไปชมไปชมในสถานที่ต่างๆ <c oughs> ถ้าเราสงสัยก็ถามเขาว่าเขาทำความดีอะไรยิ่งได้ผลอย่างนี้มี่การไปชมขั้นวราการที่สองถ้าเราไปพบพระ อ, อริยเจ้าที่จะมีรัศสมิสว่างกับเรา เราก็ถ้าหากว่าเราสงสัยก็ถามข้อวัดปฏิบัติกับท่านแต่ริงที่สำคัญองค์สมเด็จพระพิทธมารทรงตรัว่าชาติที่ดีที่สุดเราก็คนจะไปนั่งประจําอยู่ที่วิมานในวิทยาวิพยานในวิทยานี่เป็นวิมานของเราแต่ว่าในขณะดเดียวกันให้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติก็ดี หรือเป็นนัง่งอยจะกอประพักข้าองสมเด็จสจรินทรสีไหวโสมพรรูไหว ม, มและพิจนนารณาตัวเองว่าอารมณ์ของเราขณะที่ร่างกายจิดจุกันหา้ามันยังมีกิเลสอะไรอยู่บ้างที่คล่องอยู่ในใจพยายามตั้งใจแั่กิเลสในนั้นค่อยไปสมุทเทกบาหารเหื่การเสียไปอย่างนี้ที่จะมีประโยชน์ ดีกว่าการไปชมนนท์ชมนี่ฉันยังเป็นการกระทำอย่างลั้นคลื่นเกิดชื่อว่ายังเป็นิสัยของกามาวจรองสมเด็จพระจินนวรส่งผลว่าบางทีการทำประสาทเลอะเลือนไม่ดีใครทำกันใหม่ตั้งใจว่าเราจะไปไหว้ใครที่ไหนเพืธีที่อิจราอกจะก็ไว้ ถึงไทยมีตัณหาและสมิกาจะว่างสวยกว่าทหามอารมณ์จิตที่เตัดกิเลสแล้วก็ไปนั่งยอยู่เฉพาะประพับพระองค์สมเร็จพระบรมมรระเเจที่มายขอ ง, งท่งานเละทีาาะ่อยู่ของเราก็ได้และทีิเจรณากำลังใจว่าขณะที่จิตติดอยู่กัร่างกายเนี่ยกิเลสส่วนไหนบ้างมันที่ข้องอยู่ในใจ รลนั่งอยู่ที่นั่นพยายามตากฐาสร่างกำลังใจตัจกิเลสทั้งหมดให้มันสผ่านไปสมุดเกียรติบารมีเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยคนจะตั้งอยู่ในฆาณาคามีให้อย่างดีในฐานะที่เึ็นกัลยาคุณจะตั้งอยู e <ia> ่ในอาตมัตถ้าเป็นพระก็มุ <As> ่งถึงอาตมัตถผลบรรดาเวทายจนมุ้มกันพร้อมกันตั้งใจเข้าถึงใหอาตมัตถผล คือปฏิบัติอยู่ต่อนหน้าองค์สมเด็จพระพุทธสกําลังใจมันสงจิต่าช่ายนี่เป็นพระพุทธโคตองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศักดิก์พนาทรงสั่งลงมาเรื่องของมันลาท่านพุทธศาสนิกจนโดยเท่า น, น่าที่ปฏิบัติได้แล้วลเวลาเชื่อวไปให้เทียเ่ยวไปตามขอบเขตนี้และต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํำรงจิดนั่น กำหนดรู้ ล, ใใใใออใลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คําบวนาและพิจารณาตามธรรมญาสายใช้เวลาปลอดช่ครื่วงยี่โมงถึงเรื่องใดๆทั้งหมดไม่เพราะอย่างนี้จิตจับจูที่ลมให้ใจเข้าออกให้จิตซู้อยู่เฉพาะลมให้ใจเข้าใจออกคือให้จิตใจออกไปาจากทางหลักฐายนี้ แม้ว่าจิตสะยงกับอารมณ์อื่นนั่งกำลังอย่างคนที่เมื่อคืนนี้บอกว่าเข้าจุลามณีเจดียสถานไม่ได้เพราะรัชว่าขาดสมาธิกาลังสมาธิดีไม่พอในการไม่มาแล้วก็บราการีสองนีปัญนายาณไม่พอเพื่อ่ายกำลังเราสองประการ การที่สนาไหลายมีความสงสัยว่าเราจิตกำหนดรู้ก็วเวลานี้เราไปจุฬามินีเจดีสถานไปบรรดุคำพรสิลาอาดไปจิตนักอสมเร็จสุสัมมาสำเร็จเจ้าไปสมัยของไข่ของไขรบางท่านอาจจะคิดว่าเรานึกไปมันก็ไปได้แต่ความจริงถ้าเราคิดไปตามอารมณ์ธรรมดา โดยที่ไม่ใช่สมาธิปัจนาควบคุมเราคนนี้ไปได้การใจเราชอบแต่มันเป็นเรื่องของการไม่ค่อยใชเรื่องของการไปถ้าการที่เราส่งกระแสจิตไปว่าเวลานี้เราถึงจุดนั้นจะดนี้ในขณะที่โ่งสมาธิในปัจนายหญ่นี่มันเป็นการไปจริงข้อที่สมาและกาย สว่สดารำมัยสามรถทีห็นดจรินชุ่มครสวาสดีนิพนานญาณพระองค์องนึ่งกำลังที่ไปได้เป็นกำลังของสมาธิกำลังให้การเห็นชัดหรือไม่ชัดเป็นกำลังของนิพพานญาณที่ในการสุดวิกรรมฐานมันทุกแบบจะต้องมีการสามอย่างครบถ้วน นั่นคือสินนวัยฝุดเป็นปกติไม่ใช่เฉพา ะ, ะวัยฝุดใเฉพาะเวลาที่มาฝึกสองเมือลมจมีสมาธิตั้งมันสากำลังใจยอมรับนับถีของทความจริงๆของโลกและอารมณ์ไม่ติดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพื่อหัดวางภารสิทิ์เสียให้ร่างกายของเราก็ดีไม่มีความหมาย ร่างกายของคนอื่นร่างกายของสัตว์อื่นวัตถุธาตุทั้งหมดจะ ม, มีความหมายแต่จิตใจที่ไร้ปร า, ามซึ่งคันอยู่ที่อนาปานสติกรรมฐานเป็นสูงใหญ่ถ้าทุกท่านที่อานาปานสติกรรมฐานเนี่ยก็เหมือนกับบ้านที่ถูกตัดเสาทิ้งกําลังสินและกําลังที่ปัสจัยยานไม่ปรกากฏเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้ ด้วยนันอนาคามีสติกรรมฐานเคยกำหนดรู้ลมหายใจเรออกเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากในมหาสติปัฏฐานอันโสดตอนก้อนเล็กๆมีพระพ่ายเจ้าจึงยกเส้นต้นอยู่สายตนต่อมหาสติปัฏฐานอันโสทั้งหมดเป็นสายที่เจรนาแต่ว่ามีสายสลับทงซานมันอันเดียวและก็คืออนาปานสติกรรมฐาน อนนาปาลสติกรรมฐานน่าจะเป็นอวรมานที่คุมให้เป็นฌานสมาบัติก็ยังเป็นทา ก, กําลังขอ ง, งกรรมฐานที่จะระงักายระงับงขันธ <c oughs> ์ะระงับทุกขเวทนาแล้วก็ถ้าใครสามารถรงได้รีอนนาปานสติกรรมฐานนี้สามารถจะบอกวันตายของตัวเองได้ทั้งวันเกิดวันตายวันตายของคนอื่นได้ คุณจำได้ว่านาปาโนสีกรรมฐานสิงกรรมฐานที่ใหญ่ที่สุดเป็นีกรรมฐานในสมถะของเราหนาั้งหมดแม้ในเวลานี้และเวลาต่อไปเมื่อไรก็ตามควรจะยึดถือนาปาโนสิกรรมฐานสิงกรรมฐานใหญ่ขึ้นต้นจะว่าในกันด้านอะไรก็ตามท่านแค่นาปาโนสีกรรมฐานทั่วไปเวลานี้นั่นทำให้่าจับลงให้ใจเขาออก ก่อนที่จะใช้คำภาวนาแล้วก็ใช้จิตพิจารณากันเช่ก่อนการพิจารณานี่เป็นตัวตัดไม่ความที่ตัดอะไรก็คือตัดอารมณ์ตัดอารมณ์ตัวติดจุดที่วันติดที่สุดสำหรับเรา่นเราคือสร้างกายของเราที่เด่สนสาคันห้า ที่เราบอกกันว่าเรารักคนอื่นเราห่งคนอื่นนะจริงแต่ถ้าว่าส่วนที่ห่วงมากที่สุดก็คือร่างกายของเราที่จะเห็นได้ไง่ายถ้าสมมุติว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเรายืนอยู่กับเพื่อนที่รักไม่ว่า ค, คนที่เรารักมากที่เราบอกว่าเรารักเสมอด้วยชีวิตของเราหรือว่ารักยิ่งกว่าชีวิตของเรา กำลังยืนคืออยู่เตนเติถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาทานชิ้นที่ลุกแดนโซ่แดงโซ่ที่เปรียวไฟระยับที่ความร้อนจากเย่องกับมังคลังเอาทานหง น, น, นที่เป็นไฟวางบนหัวทัง้งสองคนพร้องกันดูที่ว่าเราจะปัดแค่ไหนคนที่เรารักก่อนแล้วมีปัดจากความร้อนจากหัวแล้วก่ อ, น, อนนี่เป็นเครวัด เะนั้นองค์สมเด็จพระสูงสัดิ์ทรงทราบว่าขึ้นชื่อวการของใหญ่ชีวิตนั่นชีวิตของเรามีความสําคัญที่สุดอันดับแรกก่อนที้ช่วยอื่นเราไม่จะช่วยตัวเองก่อนเสมอเพราะการใส่กันข้ามตัดร่างกายของเราจะได้แต่คนเดียวก็ช่วตัดได้ทั้งหมดเพราะองสมด็จพระบรมตรีพุทธเจ้าทรงและนําให้พิจารณาร่างกาย โดยใช้วิธีในมาหาสีวัฒานาสูตรว่าสมมติว่าเราจะพาร่างกายเราออเป็นสองสิ่เนื้อเยือเนื้อเยื่อหนังเผืนหนังเอาออกทั้งหมดเอเ น, นื้อไป ก, กองไว้ส่วนหนึ่งเองหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งติดตามไปได้นะอเอาอวัยวะภายในทั้งหมดไป ก, กองไว้ส่วนหนึ่ง เอาน้ำเลือดน้ำเหล้าน้ำเนื้อองจารปัสสาวะนี่ไปฟองไปส่วนหนึ่เงน เ, นเราก็ดูไปฟองไปส่วนหนึ่งเราเรามานั่งคิดที่ว่าส่วนไหนเขาหน่าง่ายมันน่ารักมันมีความสวยสวยงามที่เราชาความรักกันนะส่วนไหนบ้างเขาหน้าง่ายที่น่ารักความจริงไม่ต้เที่ยทั้งหมดเพียงแม้มลายจุ ด, ดเดียว คนที่เรารักเราก็รัเกียจทำลายในปากของเราเหยดเดี่ยวก็าอมได้เกินได้แต่วอลมาแล้วก็แตะช่องไม่ได้นี่เราก็รังเกียจจะมาปินชาวันนี้ตอนนอนอยู่ท่านบอกว่าลองใ ห, ห้เขาข่าวหัวเขาดูสินึกว่าหัวของเราถ้าผ่าวไปแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างที่เรียกว่ามันสมองเปง็น ข, ของดีของด้วยฟองนี่เราของเป็นของนี่เราคาวรระวัง แล้วก็จะชอบขีดหัวกันใครมาแตกต้องหัวนี่ไม่ได้โกรธละเขาว่าดูถูกดูนี้สมัยที่สมัยท่ า, านพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าหลองให้เขาผ่าหัวเขโดูดิเล็กว่าเขาผ่ า, ผาหัวเข้าไปคิดถ้าไปดูเขาในว่าภายในกะโหลกทีรษะนั้นมันมีอะไรบ้างมีอะไรน่ารักบ้างท่านก็ผ่าเรื่อยๆขึ้นมาทั้งตัวทั้ง อ, อก หมดทิ้งท่อแบะท่อออกไปอยู่ิจิรนาดูว่าภายในสุกจุดไหนรือมันจะอารวงค์ความองค์สมเด็จพรบรมโลกนา์ให้จิจิรนากายยกตาโนกติเตาสมกรรมฐานรวมกันถ้าร่างกายที่เราไม้มันปั่นรือนั่นมันไม่มีสิ่งที่เราปรารถนาคิดตาไปด้วยให้ร่างกายั้งนี้ทิเนวจะไม่สกปรกม่ก็ไม่ทรงสภาพ เติมลงไปทุกวันแต่ลงไปทุกวันเดินก็ไปหาความตายทุกวันในที่สุดมันก็ตายแค่นั้นแต่ใครเข้ามาปรามัดร่างกายเ้าด่าเขาว่าเขาเปเลือกเขาเปลือกเราคุณจะโรกรธเขาไหมความจริงเขาด่ากายนี่มันไม่ถึงเราเราคือจิตเรื่อยมาที่สมากลกกายที่เข้ามาสิีอยู่ในใจร่างกาย กายมันเป็นเปลือกเท่านั้นไม่ใช่เราท่านในพระสัมสามาสัมพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเสี้ยนพิจนรณาว่าใคารใครไม่ช ม, ม้วเขาจะมดา่าให้ตัดสิ้ใจว่าช่างมันไปรไรมันด่าไม่ถูกเรามันถูกด่าถูกเปลือกเปลือกก็ไม่ถูกวาจายของคนมันไม่เดือดก้อนไม่เดือดแข็งทึบไม่ไปจับตรงไหน คำวาจาด่าด่าแล้วก็ลอยลมไปไม่คนยึดถือคำสรรเสริญสรรเสริญแล้วก็ลอยลมไปไม่คนรยึดถือเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวตัดความชั่วของจิตอารมณ์ใส่ความชั่วของจิตก็ต้องคิดไม่อย่างเดียวคือยอมรับนักเสีของทุกความเป็นจริงความเป็นจริงของคนไร้ศเกิดโลกมันี้อะไรบ้าง เกิดแล้วก็เสื่อมแล้วมันมีความแก่แล้วก็มีความป่วยไข้ไม่สบายมีใจทุกข์เศร้าจ้ของและของสดใจมีความตายเป็นอันที่สุดเรื่อที่สุดในความจริงมันยังมีน่เมื่อร่างกายเรเริ่มเสื่อมแล้วเราทําไมทําเป็นน่าเสียดาย ร่างกายว่ามันเสียมเสียใจเสียนได้ร่างกายละหมดความแข็งแรงหมดความสาวสวยถ้าร่างกายมันป่วยไข้ไม่สบายความจริงมันหนีไม่ได้ทําไมจะต้องไปยุ่งกับร่างกายเราจะรักษาก็เฉพาะสายการรับบรินาเท่านั้นถ้าหากว่ามันจะตายก็เสียนตายทุกบริการเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราะมันหลีกนีไม่ได้อย่าทําใจหนี ทุกอย่างที่มันเกิดมาถือว่าเป็นธรรมดาของมันใจม่ันกาไปสุขแม่ของที่รักจะพัดผ้าจากไปแล้วแล้วต้พัดผ้าจากไปใจเตรียมไว้อารมณ์มันก็ไปสุขความปรารถนาถ้าไม่สมหวังก็คือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทังโลกโลกเกิดมาไม่มีความเป็รารถนาใดๆที่สมหวังแน่นอนคนรักเป็นเกือบใจแต่งงานกันได้ไม่กี่วันก็ทะเลาะ ก, กัน มีความปรารถนามาสมหวังที่ไหนในเมื่อความตายมีเข้าถึง ก, ก็ถือว่าเรียกธรรมดารวมความว่าการที่แนะนำไว้ที่หนังหลายดวงอาณาบาุสานานานาติกรรมฐานเป็นปกติรูร้ลมให้ใจเข้าออกาท่านก็ควรจะรู้ดีว่าร่างกายเตรียมรีฟังสุขภพร่างกายมีสภาพไม่เที่ยง มีความทุกข์ใความเกิดขึ้นในเบื้องต้นสิ่งที่ติดตามมาก็คือความแก่เกิดหนึ่งนาทีแป่เปนหนึ่งนาทีเกิดสิบนาทีแปรไปสิบ น, นาทีเพื่อก็ไปหาความตายขณะที่ต้องอยู่ก็มีความป่วยแปรไม่ส บ, บายเป็นพื้นฐานและก็มีอารมณ์ที่เราไมา่เคยไปจัดกตนอารมณ์ที่ไม่ต้องการไม่ดอยู่เสมอ ในที่สุดเราก็ต้องคัดค่าจากไปถ้าการอย่างนี้มันเกิดขึ้นเตรียมการไวให้มีความรู้สึกว่านี่มันเป็นธรรมดาของบุคคลที่เกิดถ้าทำไมจริงจังจะต้องเกิดมารับทุกขวทนาเพราะว่าเราเมาความงู้คือเมาตันหาความทียานอยากเราเมาความสวยของรูปเราเมาความเศร้าของเสียง เรเมาความขอมของกลิ่นเราเมาความอร่อยของรสเรามาเมาความอาการสัมผัสซึ่งมันไม่มีอะไรโตตัวประเดี๋ยวมันก็สลายตัวไปถ้าหน้าที่เราจะนั่นก็เมาโลกในสัตสิสเมาความโกรธคือภายกระทบกระทั่ง ใ, ใจก็ว่สบายใจและบนสุดก็เมากายคิดว่าจะไม่ตาย ถ้าเราตัดความเมาทั้งหลายนี้ได้เราก็เป็นการแก้การตัดความเมาทำยังไงเราคิดแบบส ม, มัยธรรมบัณฑนาคือัณฑนาแปลว่ารู้ดเป็นตัวป้าอารมณ์จิต ท, ที่ยอมรับและถือต่างความเป็นจริงนั่นเองมีความรู้สึกเสมอว่ากายนี้ไม่้ามันก็พังกายนี้มันไม่้ามันก็ต้องมีสัมผัส อย่างไดอย่างนึ่งที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นความทุกข์อาจจะเกิดจากทางกายก็ได้ความทุกข์อาจจะเกิดทางใจก็ได้ทุกข์มันมาได้โดยที่ร่างกายแข็งแรงแอารมณ์ใจเป็นทุกข์บางคนเปรี้ยอารมณ์ใจผอนใสไม่ทุกข์ทางกายร่างกายแข็งแรงอารมณ์ใจเป็ทุกข์เดียว่าทุกข์มจะทางใจเป็นอนั้นว่าถ้าเรายังคิดว่าจะเกิดเราก็รับทุกข์อย่างนี้ อารมณ์ที่จะไม่เกิดก็เป็นของง่ายๆให้พิจาณาหาความเริอยอัดับตนว่ร่างกายประกตามิี่กล่าวมาและจิตเราจะไม่เดือดร้อนจากการอินทาจะไม่ดีในการด้งสดหรือว่ามีรดยทั่วอยู่ที่ตทวปิบัติต่อแต่นั้นไปก็ใชอารมณ์มัฒนาสมัยทาความรู้สึกว่มันเป็นปกติ ว่าความเกิดมันมีขึ้นเราก็มีความแปรเป็นปกติมันแปรเท่าไรก็เชิญมัแนแปรขณะที่สรงที่อยู่เร่งการป่วยไข้มาสบายเป็นของธรรมดาทุกขเวทนาน้จะเกิดขึ้นเระจะอด้นแดยอธิวาจะทันติไปคือมีความอดทนวายรัตทุกขเวทนานี้โดยนาตาโนสติสมัธนาย จะรับไว้เลยหมดแล้วก็มีอาการคล่อยคลายถ้าในี่สุดเมื่อเมื่อความตายจะมาถึงเราก็ยอมรับสัอผีว่าร่างกายนี้มันตายเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถาการที่พิจารณาแบบนี้ซ้อนก็บเป็นความรู้สึกว่าไดร่างกายที่ประกอบก็จะทัตรี เมื่อาการสามที่สองที่เป็นไม่ดีความประกอบอย่างนี้มันเป็นต้นติของความทุกข์มันมาจากความเมากามที่กล่าวแล้วที่พระพุทธเจ้าเรียกวันหาถ้าไว่ามันก็มีชาตินี้ชาติเดียวสำหรับเราเราจะเยอยกันหาที่ละลายว้ชาตินี้ท่าน่ะ น, น, นายที่นายสามารถจะเป็นเจ้านายตัร่างกายของเราได้ ถ้าแรงใจนี้เป็นสมบัติที่เธอสร้างขึ้นเพื่อสิ้นลร า, าลันเมลไรก็จะเป็นเธอแบบไปสำหรับกำลังใจคือฉันนายแม่มือ ไ, ไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะเป็นเจ้านายต่อไปเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมใจทรงแนะนำเราแล้วว่าถ้าเปิดขันห้าได้เมลไรเราไปนิพพานเวลานี้เราได้ถึงกแสพ ร, ระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิุทธมาน เราขอพระพุทธเจ้ า, จาเป็นที่สุดเราไม่ได้ขอตัณหาเป็นที่สุดค่ะตัดทิ้งใจให้มันมีความสุขอย่าที่จะ น, นาแบบเครียดไม่ไม่ไมอาจจะเครียดที่จะ น, นาไปเป็นมาใส่จนัวะทั่งกําลังใจแบบนี้มันเป็นปกติแบบสบายสบาย <c oughs> ถ้าหลวงค่ท่านนันไลมีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไรเมื่อนั่นท่านหลายเป็นพระรหันตายจากชาตินี้แล้วเข้าวันอีกครั้งหมดความทุกข์ แล้วต่อที่นี่ไปขอทุกท่านสรางกายให้ทรงดำรงกิจใหมัน่นถ้าหลุดรู้ลงให้ใจคอยใจออกใช้คำภาวนาและวบอกวิปัสสนาใช้คำภาวนาแล้วพจนานาตามบทีาายาใส่เพ่อกว่าจะถึงเวลาปล่อยเชียงเพื่อให้เวลาเร็วขึ้นมา